ทสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสัสนสีสนทนาที่ดิฉันสัสนสหน้าคพง์จะสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบูลอภิปุณโญผู้อำนวยการหลักสูตรอิริกรัของวัดป่าดอนาฮโซจังหวัดอุดรนทานีให้กับท่านได้รับฟังกันเพื่อจะได้เพิ่มพูนความด้านพุทธเจ้านะคะในวันนี้ดิฉันเกริ่นให้ทราบตั้งแต่หัวรายการเลยว่าจะกลับเดียนถามท่านถึงรายละเอียดของความเป็น พระพุทธเจ้าของเราในเกี่ยวกับความสามารถในการสอนที่บอกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะคะท่านเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีรายละเอียดของผู้ที่ท่านสอนที่ไม่ใช่อย่างเราๆท่านๆมนุษย์ธรรมดาเนี่ยอะไรกันบ้างต้องแปลกใจนะค ะ, ะเสียงที่ได้ยินอาจจะผิดปกตินิดหน่อยนันเป็นเสียงของสายฝนในยามฤดูฝนของกรุงเทพมหานครนี้ค่ะ ส่วนตอนนี้เตรียมตัวที่จะปฏิบัติธรรมเริ่มต้นรายการด้วยการนำของท่านรพระมหาไพบูตรอภิปุลโนที่ดิฉันกำลังจะพาทุกท่านไปกราบนมัสการท่านเดี๋ยวนี้นะคะนมัสการท<บ>ั้งคะเจียมพานเรามาพบกันแล้วก็มาฝึกปฏิบัติกันเป็นการเริ่มต้นการฟังธรรมโดยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาระลึกถึงลงมหายใจจริงๆแล้วตั้งแต่เรารู้สึกตัวขึ้นมาจาก การตื่นนอนรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยให้จิตมาอยู่กับลหมหายใจเลยเราอาจจะรู้ลหมหายใจไม่รู้ลหมหายใจเอาตอนนี้เรามีลหมหายใจอยู่เรามารู้เรามาตั้งสติเรามากําหนดเรามาระลึกถึงเราเอาใจมาใส่เอาไว้คําพวกนี้ต่างเป็นคําที่มีความหมายเหมือนกันในการที่เราให้มามีสติรือลึกถึงลหมหายใจในที่นี้ก็คืออานาปานาสติพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอานาปานาสติเนี่ย เป็นธรรมะที่จะสามารถทําให้เกิดสมาธิเกิดฌานในขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สูงๆงขึ้นไปได้อันนี้ส์ของอานาปานสตินี้ก็มีมากวิธีการที่เราจะฝึกปฏิบัตินั้นก็เริ่มที่ลมหายใจของเราให้ใหายใจออกหายใจเข้าเป็นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันสั้นหรือยาวให้มันเร็วหรือช้าในขณะที่ท่านผู้ฟังอาจจะพูดหรือทํางานสิ่งใดใดไป ลมหายใจอาจจะสม่ำเสมอบ้างติดขาดบ้างหายใจเข้ารูเดียวหรือสองรูบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติของลมหายใจลมหายใจไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเราสามารถที่จะฝึกจิตการฝึกตรงนี้คือเรื่องของการฝึกจิตไม่ได้เป็นการฝึกกายไม่ได้เป็นการฝึกรูปแบบของลมหายใจแต่เป็นการฝึกจิตให้มาตั้งอยู่ระลึกอยู่รู้อยู่ใส่ใจเอาไว้กับลมหายใจไม่ว่าจะ สั้นหรือยาวเร็วหรือช้าเข้ารูเดียวออกสองรูหรือว่าจะติดขัดหรือว่าจะต่อนเนื่องอย่างไรก็ตามให้เราตั้งจิตอาไว้กำหนดจิตอาไว้ที่บริเวณทางเข้าออกนี้อันนี้ทรงที่จะเกิดขึ้นของเมื่อเวลาที่เราเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับลมหายใจนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นสติสตินี้เป็นผลเป็นผลของการที่เราเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเมื่อเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจ เกิดเป็นสติขึ้นแล้วสติเนี่ยจะเป็นตัวที่รักษาจิตพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับนายทวารที่เฝ้าประตูอย่างเช่นบางทีเราเห็นยามหรือว่อตํารวจที่เรารักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณป้อมยามหรือด่านหรือว่าแม้แต่ทางเข้าออกหมู่บ้านเราอย่างเงี้ยก็อาจจะมียามที่เขาเฝ้าอยู่ในยามเขาก็จะอยู่บริเวณประตูแต่จะไม่ได้ตามรถเข้าไปถึงในหมู่บ้าน หรือไม่ได้ตามรถออกไปจนถึงกนะข้างนอกอาจจะเดินอยู่ข้างๆบ้างตรงกลางบ้า ง, างนิดๆหน่อยๆแต่ก็จะอยู่บริเวณต่างเข้าต่างออกแต่เช่นเดียวกันเวลาที่เรามาสังเกตเห็นลมหายใจเนี่ยเรามาดูแถวบริเวณในโพรงจมูกของเร า, า จ, จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปละว่าจะต้องเท่านี้มิลลิเมตรจากปลายจมูกเข้ามาพื้นที่กี่ตารางมิลลิเมตรไม่ต้องเจาะจงถึงขนาด น, นั้นแต่ให้เป็นคร่าวๆว่าเอออยู่บริเวณนี้แต่ไม่ไรก็ตามที่ จนระีรักษาความปลอดภัยมาอยู่บริเวณต่างเข้าทางออกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความปลอดภยัยเกิดขึ้นกับคนที่เข้าไปนั่นเองเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเฝ้าอยู่เช่นยามเฝ้าอยู่หน้าหมู่บ้านก็เกิดความปลอดภัยขึ้นกับหมู่บ้านเช่นในกรณถ้าจิตมาอยู่กับลมหายใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสติและสตินี้ก็จะเป็นตัวรักษาจิตเหมือนกับความปลอดภัยที่ยามเข้ามาอยู่บริเวณหน้าประตูแล้วรักษาให้กับหมู่บ้าน สติที่เกิดขึ้นก็จะรักษาความปลอดภัยให้กับจิตของเราโดยจิตที่มีสติรักษาอยู่อย่างนี้เวลามีผัสสะใดๆมากระทบแน่นอนบางทีมันพยายามที่จะดึงจิตไปเวลาที่ผัสสะต่างๆมากระทบพยายามจะดึงจิตไปเนี่ยเราก็จะมีลักษณะว่ารู้ลมไปด้วยรับรู้ถึงสิ่งต่างๆไปด้วยนี่คือลักษณะที่มันกําลังดึงละและถ้าบอกว่ามันดึงไปเชือกขาดนั่นก็คือการที่เราลืมหลงลมหายใจไปเพราะฉะนั้นเราอย่าให้ เป็นผู้ที่ลืมลงลมหายใจอันนี้เป็นพุทธพจน์แต่พระเจ้าให้เป็นผู้ที่ไม่ลืมลงลมหายใจพยายามที่จะระลึกถึงลมหายใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในอริบทใดๆทํากิจการงานใดๆอยู่คุยกับใครไปที่ไหนกินอะไรก็ให้มีสติอยู่อย่างนี้ไปได้ตลอดอันนี้เราฝึกไปได้ทั้งวันเลยเจริงปันค่ะสาธุ ค, ค่ะก็ฝึกกันนะคะลืมตาก็ได้ใช่ไหมคะท่านใช่ใชลืมตาก็ได้ดิฉันอ่านประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ ก็มีบางท่านบอกว่าถนัดที่จะลืมตามากกว่าอืม hmm. อันนี้แล้วแต่ฝึกค่ะเอะได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการนะคะ hmm. ว่าจะกราบเรียนถามท่านถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์แต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นขออนุญาตแวะนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่อาจจะคอยฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็พลาดไปตอนที่แจ้งถึงหมายเลขโทรศัพท์ขออภัยค่ะหมายเลขเบอร์บัญชีของวัดป่าดอนหายศพเพราะว่าประสงค์ที่จะร่วมทําบุญ สร้างพระอุโบสถในส่วนสุดท้ายก่อนที่จบงานครั้งนี้คืองานปูหินแกรนิตโดยรอบพระอุโบสถก็จะเป็นอันว่าพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วเ น, นะคะให้ได้ทราบว่าท่านเตรียมกระดาษประเกลียวไว้เดี๋ยวบอกในตอนก่อนจะจบรายการอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เราก็มาฟังจากท่านเพรพูนว่าในบทสวดอิติพิโส ท, ที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำพระพุทธองค์ได้ตรัส ถึงคุณสมบัติของท่านไว้หลายอย่างใช่ไหมคะใช่ใช่อย่างหนึงนั้นเนี่ยที่ท่านตรัสว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัตถาเทวมนุษย์สางเนี่ยคะ่ะใช่ดิฉันไม่สงสัยในส่วนของมนุษย์นะคะแต่ดิฉันสงสัยในส่วนของเทวดาแต่ถ้าท่านคิดว่ามีความจําเป็นจะต้องอธิบายครบถ้วนที่ก็นมัสการนิมนต์ท่านเลยคะ่ะคำว่าสัตถาเนี่ยหมายถึงศาสตราศา ส, าสาศดาก็คือครูผู้สอนสาาัตถาสัตถา ก็คือสาสดาเอา่อเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์เอาไล่ตั้งแต่มนุษย์ก่อนก็แล้วกันนะค่ะก็เราจะสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลูกศิษย์นะมาตั้งแต่ชาวนาคนยากจนยาโจกจนถึงผู้ที่เป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีจนถึงพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิอะไรก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเลยแลนะนี่คือความที่ดีอย่างหนึ่งนะัคือมนุษย์ทั้งหมดเลยไม่ว่ากษัตริย์นั้นเขาจะเป็นศัตรูกัน ในสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสงครามนะก็มีสงครามบางทีบ้านเมืองนี่รบ ก, กับบ้านเมืองนู้นแต่ตั้งสองฝั่งก็ศรัทธาพระพุทธเจ้านั่นคือเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่คือความที่สอนมนุษย์ในความเลื่ขนาดนี้นี่คือธรรมจักที่แผ่ไปทีนี้เรื่องที่เป็นเป็นครูผู้สอนของเทวดาด้วยแต่เราก็จะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนตรัสเองด้วยละแต่ว่ามี เหล่าเทวดาตั้งแต่ชั้นที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดก็คือภู ม, มิเทวดาที่ขึ้นไปอีกก็จะเป็นพวกจตุมหาราชิกาอันนี้คืออยู่ชั้นเดียวกันนะนะภู ม, ม<อ>ิเทวดานี้จะอยู่ใกล้มนุษย์ถัดมาก็จะเป็นพวกจตุมหาราชิกาแต่พวกนี้ก็จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถัดขึ้นไปอีกก็เป็นชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงนี้ก็มีหัวหน้าของเหล่าเทวดาก็คือเท้าสักกะเทวราช ซึ่งก็คือพระอินทนั่นเองเท้าอมรินทราธิราชนะตัวเขียวๆอันนี้ก็เ ร, เรียกว่าพระอินทพระอินนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันตัวพระอินนี่เป็นลูกศิษย์ชนิดที่เรียกว่าจะก้นกุฏิอะไรําว่าได้เพราะว่าพระอินเนี่ยเคยมาอุปถากพระพุทธเจ้าถึงขนาว่ายกกระโถนเอาอะไรต่างๆไปล้างให้เอาสิ่งของที่แบบเป็นอุจจาระปัสสาวะเนี่ยไ ป, ไปไปล้างให้ ทําถึงขระดานี้พระอินทร์จะเป็นผู้ที่ทำแล้วก็สูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นชั้นยามาแขึ้นไปอีกก็เป็นชั้นดุสิตาขึ้นไปอีกก็เป็นชั้นนิมมานรดีขึ้นไปอีกก็เป็นชั้นปรินิมิตาสวัสดีอันนี้คือสวรรค์หกชั้นะจะมีเทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอยู่ในทุกๆชั้นเลยแล้วขึ้นไปอีกแล้ก็เป็นชั้นพรหมพรหมที่ก็มีอีกหลายชั้น พรหมชนิดที่เป็นรูปประพรมพรหมชนิดที่เป็นรูปประพรมและจะเห็นได้ว่าพวกพรหมเนี่ยสถานการณ์ที่เวลาเขาจะมาหาพระพุทธเจ้าอันนี้คือตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก่อนการตรัสรู้ด้วยซ้ําแต่ก็จะมีพรหมองหนึ่งที่ชื่อว่าสามบดีพรหมมาหาพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้จนกระทั่งตรัสรู้แล้วใหม่ๆ หลังจากที่ตรัสรู้ไปได้สักพักนึงประกาศศาสนาไปก็ยังลงมาหาอยู่อั น, นนี้ก็เป็นพรหมที่เป็นรูปประรมแต่ว่าไม่ได้เคยสังเกตเห็นว่ามีการสื่อสารหรือว่าพูดคุยกันกันกบอะรูปประพรมนะคนุณยมติ่ข้อนี้จะไม่มีอค่ะรูปประพรมเนี่ยก็คงจะไม่มีรูปแล้วเพราะฉะนั้นพอไม่มีรูปแล้วการสื่อสารมันก็คงจะไม่ได้ใช้เสียงเพราะเสียงมันยังเป็นเรื่องของรูปอยู่ก็ ก็คงจะไม่ได้เบียดกฎเห็นมนะีก็จะมีแค่เทวดาพรหมพวกนี้ก็ก็จะมีมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะค่ะท่านทรงสอนอะไรกับเทวดาคะแตกต่างจากที่สอนมนุษย์ทั้งหลายหรือเปล่าคะโอก็ก็เหมือนกันสอนเรื่องของอริยสัจสีสอนเรื่องของอริยสัจสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอริยสัจสี ing, เออ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เทวดาเขาจะจะแบบ สะเทือนเลื่อนลั่นมีความเข้าใจกันชนดิด ว, ว่า บ, ม บ, าบึมบั่มบึมบั่มแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแบบตกใจกันมากเพราะว่าความเป็นเทวดาเนี่ยอายุของเขาจะยืนมากอายุยืนมีความสุขจะเพลิดเพลินไปในถ้าเป็นสวรรค์หกชั้นนี่ก็จะเพลิดเพลินไปในกามมากโดยเฉพาะอย่างยิ<แ>่งในชั้นที่ว่าดาวดึงเนี่ยแหมจะมีกามชนิดที่ละเอียดเทวดาที่อยู่ในชั้นนั้นนี่ก็แฮปปี้กันมากก็เพลิดเพลินกันไป ทีนี้พอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเทศอนเรื่องอริยสัจสี่เทศอนเรื่องอริยสัจสีเรื่องทุกสมุทัยนี้โรดมากพอพระเทวดาได้ยินเรื่องนี้แล้วก็จะโหตกใจมากแต่พระพุทธเจ้าเป ร, เรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาราชสีปิยาสีห์เนี่ยตอนเวลาใกล้ค่ำเนี่ยเขาจะก่อนที่เขาจะออกหาเหยื่อเนี่ยเขาก็จะบรลลือสีหนาศไว้ซะก่อนนะบรลลือ <Okay. S 1> สีหานาศขึ้น3ามครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหาร สัตว์ต่าง ๆ, ๆที่ได้ยินเสียงเสียหนาดนี้แล้วก็จะตกใจมากแล้ก็จะพยายามวิ่งหนีไปตามที่นั้นที่นี้สัตว์ที่เป็นนกก็บินขึ้นฟ้าพวกที่อยู่ในโพรงก็เข้าโพรงหนีไปด้วยความที่กลัวกลัวพริยาสีคะเช่นเดียวกันพวกเทวดาเนี่ยพระพุทธเจาตรัสไวนะของพวกเทวดาเนี่ยได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าบลือเสียนาาเรื่องของอริยสัตว์สีเนี่ยก็จะสะดุ้งกลัวลเหนื่ยวแห้งใจและตกใจใขึ้นมาเลยว่า โอ้ใช่เราไม่เที่ยงก็มาสำคัญตัวเองว่าเราเที่ยงไม่ยั่งยืนก็มาสำคัญตัวเองว่ายั่งยืนไม่มั่นคงก็มาสำคัญตัวเองว่ามั่นคงแต่ว่าเป็นผู้ที่มีทุกข์อยู่ในใจเขาจะตกใจสะดุ้งกลัวตรงนี้ <c oughs> ก็ยอมพระพุทธเจนะ้านะในการที่จะฟังคำสอนค่ะนั้นก็เท่ากับว่าเทวดาเนี่ยก็คล้ายๆกับเราในแง่ของการที่ไม่เที่ยงถูกไหมคะใช่เกิดมาแล้วก็ดับไปได้ จึงต้องเรียนรู้ทำอันเดียวกับมนุษย์อย่างนั้นเหรอคะถูกต้องถูกต้อง ท, ทีนี้ว่าเท่าที่มาสังเกตดูพระสูตรนะโดยด้วยความที่เป็นเทวดาเนี่ยระหว่างที่สำนวนที่ว่าพระเจ้าจะคุยกับเทวดากับมนุษย์เนี่ยจะจะแตกต่างกันแต่คือคุยเรื่องอริยสัจสีกันใช่อยู่แต่ว่าวิธีการพูดคือหมายว่าภาษาที่พูดก็ก็ใช่อยู่ก็เป็นเรื่องธรรมะเนี่ยแต่ว่ามีลักษณะการพูดที่แตกต่างกันอยู่ แตนะ่ตรงที่ว่าเทวดาเนี่ยเวลาเขาจะเรียบเรียงคําพูดมาเนี่ยนะคำพูดเขาจะสลัดสลวยแต่ก็จะแต่งมาเป็นบทกลอนบทกลอนเขาจะแต่งมาถามพระพุทธเจ้า <Okay. S 1> แล้วพอพระพุทธเจ้าวเวลาตอบไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตอบเป็นบทกลอนนั่นะคือตอบกันคุยกันเป็นกลอนเลยนะ <Okay. S 1> ซึ่งนี้เป็นเป็นเหมือนกับภาษาที่สวยงามในทางภาษาบาลีเนี่ยนะจะมี <Okay. S 1> สัมผัสจะมีตัวอักษรที่มันลงรับกันเดี๋จะเป็นลักษณะนั้นพอแปลเป็นภาษาไทมันจะ ตรงนี้มันจะหายไปอ่ะนะแต่ถ้าดูในโครงสร้างภาษาบาลีเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่สวยงามหลงรับกันมีความหมายลึกซึ้ง อ, อ๋อคือเวลาพูดถึงเทวดาที่จะเล่าถึง อ, อการพูดก็จะบอกว่าการพูดนี่ร้อยเรียงร้อยเรียง<ม> เ, ปเป็นภาษาที่สวยงา ม, มที่มนุษย์ธรรมดาพูดเวลาเทวดามาเนี่ยมีการบันทึกไว้ไหมคะว่าแตกต่างยังไงมีความวิจิตพิสดารยังไงลอยมาเห็นเป็นองค์เลยไหม ออกมาแต่งเรื่องแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยไหมคะมีมีมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้คือคือส่วนใหญ่ถ้าเราอ่านในพระสูตรเนี่ยจะสังเกตเห็นความแตกต่างกันระหว่างการมาของเทวดากับการมาของมนุษย์แต่มนุษย์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะฟังน้ำใช่ไหมคุณก็กล่าวคําที่ระลึกถึงกันแล้วเช่นเออสบายดีไม่เดินทางเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะนั่งลงแล้วก็จะนั่งลงในที่ที่ควรข้างหนึ่งนั่งลงนี่ก็คือนั่งในอัสนะที่ต่ำกว่า ไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไ ป, ไไ น, ไปนั่งทางใต้ลมอะไรอย่างเงี้ยนั่งทบนด้านซ้ายก็จะว่างกันไปนี่คือลักษณะของมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ส่วนเทวดาเนี่ยเข้ามาแล้วเขาจะยืนจะไม่นั่งแต่ยืนอย่างที่ควรข้างหนึ่งเนีย่ยในประสุขก็จะเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่นะจะมีเทวดาน้อยน้อยรูปที่จะนั่งแต่ส่วนใหญ่จะยืนเอาอที่ที่เป็นอย่างนี้น่นก็มีคําอธิบายกัาไว้ น, นี่เป็นหลักฐานในชั้นต่อมาเขาบอกว่าเอ่อเทวดาเนี่ยที่ยืนเนี่ย เพราะว่าต้องการจะรีบกลับแล้วเลยไม่นั่งอออือทําไมถึงต้องการจะรีบกลับเพราะว่ามันแดนมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นที่อภิรมสําหรับเทวดาแต่พูดง่ายๆก็คือเหอม็นแหละเหม็นเพราะว่ามนุษย์มันมันกินเนื้อกินมันมีแบบของโสโครกมากนะสําหรับเทวดาอ๋อมีคําอธิบายต่อมาใช่ใช่มีคำอธิบายตรงนี้ต้องการจะรีบกลับก็เลยยืนนะยืนฟังทำเสร็จแล้วก็เทศไม่ได้ยาวเลยนะพระพุทธเจ้าถ้าเวลาคุยกับเทวดาเนี่ยไม่ได้ยาว คือไม่ได้ว่าไร้เป็นประสูติถามกันไปถามกันมาก็มีอยู่แต่สั้นๆนนไม่ได้เยืดยาวอะไรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มี<ถ>ที่ที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งก็คือว่าเทวดาเนี่ยเขาเขาก็จะเข้าใจอะไรง่ายนะคือที่เข้าใจอะไรง่ายเนี่ยเพราะว่าไอ้คําพูดที่พระพุเจ้าตรัสไปสั้นๆเนี่ยแต่ถ้าเราจะมาแปลแล้วแกะเนี่ยมันจะได้ทุกคําทุกเม็ดเลยแต่สมมติพระทธเจ้าพูดคถ า, ามาคาถานึง ่เป็นคำกรอนแต่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอบเทวดาไปเนี่ยสั้นๆอาจจะแค่สองบรรทัดแม้แต่ความหมายมันลึกซึง้งตรงนี้ก็มีความหมายอย่างนี้ตรงนี้เพราะมันกล้ามกันหมดอ่ะมันถูกบังคับด้วยรูปแบบของคําที่เป็นคํากรอนนะนะเพราะฉะนั้นภาษาอะไรต่างมันก็จะถูกจับใส่จับใส่ไปเข้ามหมายก็จะลึกซึ้งมากแล้วก็พวกเทวดาเนี่ยเขาก็จะเข้าใจกันได้รวดเร็วก็จะเป็นลักษณะนี้ความแตกต่างกันค่ะอ๋อดิฉันเอง ได้เคยเปิดอ่านในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์พูดถึงถท่านท่านฟังทั้งหลายที่ฟังอยู่แล้วสนใจเรื่องราวที่ได้ตรัสสอนเทวดาสามารถไปอ่านดูในนั้นได้ใช่ไหมคะใช่ใช่มีอยู่หลายตอนทีเดียวหลายตอนนะคะท่านสอนเอาไว้มากมายทีนี้เวลาเทวดามานี่พูดถึงมีแสงมีอะไรอย่างนี้นไหมะอ๋อใช่ใช่อันนี้เป็นพุพทธโพธิพระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้ว่า แสงเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะถ้าถ้าแสงสว่างธรรมดาก็จะรู้สึกจะเป็นเทวดาฉันจะตุมหาราชิกาถ้าเป็นแสงสีเขียวอันนี้ก็คือเป็นพระอินท้าอารุณอมรินท้าส ก, กเทวราชก็จะมีหลายชื่อ ถ, ถ้าเป็นแสงสว่างชงนิดที่นวล น, นวนหน่อยก็จะเป็นพวกพรมคือมันจะมีความแตกต่างของแพทเทิร์นของแสงอยู่ก็จะเคยอธิบายเอาไว้ตรงนี้อันนี้คือเป็นคำที่ได้ ตรัสบอกท่านพระอนนต์นะถ้าเมาจำไม่ผิดท่านพระอนนทสังเกตเห็นแสงต่างๆก็เลยมาเล่าใท่ามพอนนทฟังก็จึงฟังดูเหมือนว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยการปรากฏของเทวดาโดยเฉพาะการมาปรากฏเฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคเนี่ยเกิดได้ไม่ยากเกิดได้เสมอเสมอเกิดได้เสมอเสมอใช่แต่สําหรับวันเนี้เราก็ยังได้ยินคำว่าเทวดาอยู่นะคะอย่างกลับไปในบางพิธีเนี่ย พบบ่อยล้วนะคะจะต้องมีการสวดมนต์บทชุมนุมเทวดาเหมือนกับว่าเป็นที่ยอมรับกันว่ามีแล้วก็จะต้องเชิญมาเพียงแต่เรามองไม่เห็นอืมใช่คือถ้าคนเขามองไม่เห็นเขาก็จะมองไม่เห็นนะต่าผู้ที่มองเห็นเขาก็จะเห็นได้อยู่ถึงแม้ว่าเป็นคนในปัจจุบันนะคะใช่ก็คือถ้าถ้าเขาเห็นถ้ามีความสามารถในการเห็นได้เขาก็จะสามารถเห็นได้แต่ไม่รู้ว่าบทสวดบทนี้แล้วเทวดาจะมาจริงหมนะอันนี้ก็ มันก็ไม่มีใครที่จะพิสูจน์ได้นอกจากเขาจะมีเครื่องพิสูจน์ค่ะดิฉันเองเนะชื่อก็พุทธเจ้าถ้าสมมุติว่าได้อ่านพุทธวจนะต่างๆที่ได้ตราดเอาไว้โดยเฉพาะในพุทธประวัติเนี่ยนะคะจะได้ตราถึงเทวดาไว้เชื่อว่ามีอยู่จริงถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นก็ตามทีนะคะทีนี้ท่านไปบูลได้กล่าวว่าเทวดามีลักษณะการพูดอย่างไรท่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกดิฉันก็เลยขออนุ ญ, ญาตไปเปิดพุทธประวัติจากพระโอษฐ ในเรื่องที่ทรงสอนทเทวดาเรื่องหนทางการถึงที่สุดของโลกขออนุญาตท่านอ่านให้ท่านฟังฟังนะคะว่าพระพุทธองค์นี่ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ตาตรีล่วงไปมากแล้วใวบุตรชื่อโรหิตัสสะมีวั น, นะอย่างยิ่งสองเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างอยู่ได้เข้ามาหาเราถึงที่อาศัยไหวเราแล้วยือนอยู่หน้าที่ข้างหนึ่งได้กล่าวกับเราว่าพระองค์ในที่สุดโลกแห่งใด ซึ่งสัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัตินั้นใครๆอาจเพื่อจะรู้จะเห็นจะถึงที่สุดโลกแห่งนั้นด้วยการไปได้หรือไม่พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบโรหิตตัสตานะคะว่าภิกษุทั้งหลายเทวบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้ตอบว่าแน่เธอที่สุดโลกซึ่งสัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัตินั้นเรากล่าวว่าใครๆไม่อาจรู้ไม่อาจเห็น ไม่อาจถึงที่สุดโลกนั้นด้วยการไปได้เลยเรากล่าวดังนี้แล้วเทวบุตรนั้นได้กล่าวสื่อไปว่าพระองค์อัศจรรย์จิงไม่เคยมีเลยคือคําที่พระองค์ตรัสนี้ข้าแต่พระองค์ในการก่อนข้าพระองค์เป็นฤาษชีชื่อโรหิตัสสะผู้พ่อบุตรมีฤทธิ์ไปได้โดยอากาศความรวดเร็วของข้าพระองค์เช่นเดียวกับลูกธนูของอาจารย์ผู้คล่องแคล่วลือชาในการยิงธนูขนาดหนักสามารถยิงถูกขนทรายได้ในระยะ อุสุพระหนึ่งที่ยิงตลอดเงาแห่งตาลโดยขวางด้วยลูกศร อ, อันเบาปลิวเชนั้นการก้าวเท้าของข้าพระองค์ประมาณเท่าจากสมุดฝากตะวันออกถึงสมุดฝากตะวันตกข้าแต่พระองค์เมื่อไปด้ยความเร็วและการก้าวไกลถึงเช่นนี้ข้าพระองค์เกิดความปรารถนาว่าเราจะถึงที่สุดโลกด้วยการไปให้จงได้ข้าพระองค์จึงงดการบริโภคก า, การเดินการเคี้ยวการลิ้นงดการถ่ายอุจจระปัสวะ มดการหลับอันเป็นเครื่องบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเสียมีอายุมีชีวิตหนึ่งร้อยปีก็เดินทางทั้งหนึ่งร้อยปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเลยได้ตายเสียในระหว่างข้าแต่พระองค์อัศจริงไม่เคยมีเลยคือคงที่พระองค์ตรัสว่ารกล่าวว่าใครๆไม่อาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดโลกด้วยการไปได้เลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายแล้วได้กล่าวกรเทวบุตรนั้นว่าแน่เธอ ที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวการรู้การเห็นการถึงที่สุดโลกนั้นเพราะการไปแน่เธอเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วก็จะยังไม่กล่าวการประทังแห่งทุก์แน่เธอในร่างกายที่ยาวาหนึ่งซึ่งประกอบด้วยสัญญาและใจนี่เองเราได้บัญญัติโลกเหตุเกิดของโลกความดับไม่มีเหลือของโลก และทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือของโลกไว้ดังนี้อืมในในพระสูตรนี้เนี่ย อ, อจะเห็นว่านี้เป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดาเทวดาพูดเสร็จปุ๊บก็แวบไปละจบละไปเรียบร้อยละยืนด้วยนะไม่ได้นั่งนะในพระสูตรนี้เขาบอกออแล้วก็เรื่องราวที่ที่คุยตัวนี้ยังง่ายนะคุณยมติ๋วจะมีอื่นนที่ยากกว่านี้อันนี้คุณยมติ๋วยกพระสูตรที่ง่ายมาอันนี้ดีแล้วะจะจ ะ, จะต้องอธิบายตรงนี้หนึ่งเพราะว่าอารมาอ่านพระสูตรเนี่ย เตียมที่จะพิจารณาใกล้ครัวนี่ทําไมเปรียบเทียบอย่างนี้ทําไมพร ะ, ร ะ, ะเทวดาว่าอย่างงี้อะไรเงี้ยน ะ, ะก็จะมีรายละเอียดที่ต้องทาความเข้าใจคือว่าเทวดาองค์เนี้ยเขาเป็นฤๅษีมา ก, ก่อนเพราะฉะนั้นก็มีความค่อนข้างจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นเป็นพรหมแต่ไม่ใช่เทวดาธรรมดาแต่เป็นพรหมเอ่อเทวดาชั้นสูงถูกไหมใช่ใช่ที่มีกําลังสมาธิค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเป็นมนุษย์อยู่เป็นฤๅษีใช่ไหม <Okay. S 2> เขามีความรวดเร็วในการที่จะไปเนี่ยถ้าถ้าเราจะพิจารณาถึงว่าอาจารย์ที่ยิงธนูเนี่ยนะธนูนี้ <Okay. S 2> หนักมากคําว่าธนูหนักเนี่ยคือหมายถึงมีค่า K สูงคําว่าค่า K สูงเนี่ยคือมันมีการดีดตัวได้อย่างเร็วมากก็ <Okay. S 2> คือมีกําลังมากธนูที่ขนาดหนักเนี่ยนะความหมายตรงนี้แล้วก็ลูกธนูนี้ก็หนักคําว่าลูกธนูที่หนักเนี่ยหมายความว่ามันจะสามารถที่จะต้านลมได้มันสามารถที่จะไปตรงๆๆไดด้ีกว่าาธนูเบ ธนูเบาๆเนี่ยมันจะต้านกระแสงลมไม่ได้ตอนี้อาจารย์คนนี้เนี่ยเขายิงธนูด้วยธนูขนาดหนักเนี่ยก็เหมือนกับลูกศร อ, อันเบาวเปลี่ยวเพราะนั้นเขมีความสามารถสูงนะอาจารย์คนนี้ค่ะแล้วเขาสามารถที่จะยิงลูกศรเนีได้ระยะไกลหนึ่งอุสภะหนึ่งอุสภะเนี่ยอาจาก็าไปหามาว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะอุะอสภะเนี่ยแปลว่าวัาวตัวผู้วัวอุสภะคือวัวที่ไม่ใช่วัวธรรมดาน ะ, ะเป็นวัวที่มีกําลังไว้รากเข็น เป็นวัวหนุ่มเน่เป็นวัวหนุ่มก็คือยังไม่ใช่จ่าฝูงนะแต่เป็นวัวกําลังวัวใช้งานเลยล่ะวัวอุศภะนี่ก็คืออาจจะเคยเห็นวัวที่กล้ามเป็นมัดๆเนี่ยนะคือวัวอุสภะเขาก็จะมีการวัดระยะหนึ่งอุสภะก็คือหมายถึงระยะที่วัวประเภทนี้มันร้องโ h o ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะได้ไปไกลเท่าไหร่วัวร้องทีหนึ่งได้ยินเท่าไหนนี่คือระยะ1อุสภะ อุสรรคหนึ่งก็คงประมาณสัก อ, อ, อ, ยอย่างอย่างประมาณก็เคยได้ยินวัวร้องอยู่ตามทุ่งนาทุ่งอะไรเงี้ยน ะ, ะมองไปก็คงจะประมาณเกือบกิโลหนึ่งคืโอโดยคร่าวๆน ะ, ะเพราะว่าได้ยินเสียง ม, มันร้องอู้อุกอยู่ตรงโน้นนะ่ะนะก็ค่ะไปประมาณสักกิโลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์คนนี้เขาสามารถยิงธนูที่หนักด้วยลูกธนูที่หนักไกลหนึ่งประมาณ1กิโลเมตรถูกขนทายได้ขนทายนี่คือหมายถึง ขนของพวกกวางเนื้อสายคือสมมติเราเอากวางเนื้อสายมาเด็ดขนมันมาเส้นหนึ่งใช่ปะ่ะซึ่งขนมันละเอียดมากนะแล้วคุณสามารถยิงถูกด้วยอะ่ะโอ้โหทั้งแม่นยำทั้งมีกำลังทั้งก้าวไกลนี่คือลักษณะของความสามารถของอาจารย์คนนี้นะซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถเดินทางได้ขนาดนี้เลยนะเดินทางได้ขนาดนี้ซึ่งมันก็ทั้งไกลทั้งเร็วนะแต่ว่า เดินทางทัาร้อยปีก็ยังไม่หมดนะค่ะโอเท่ากับว่ า, วามีความสามารถขนาดนั้นทั้งร้อยปีเดินตลอดจะให้ถึงที่สุดแห่งโลกก็ยังไม่สามารถถึงที่สุดแห่งโลกได้เลยใช่ใชค่ะพระพุธองก็เลยตรัสว่าไม่ต้องไปหรอกเพราะไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงใช่ไหมคะอมอืมมันมันไม่ใช่สวยหาหนไปนอกระบบนั้นใช่ไม่สามารถรู้ได้ด้วยการไปถึงได้ด้วยการไปถูกต้องไม่ได้ด้วยการไป แต่แต่ <Okay. S 1> ด้วยการค้นหาในกายเรานี้นั่นเองแตสรุปตรงนี้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการเดินทางคือไม่ใช่ว่าคุณเดินทางแบบที่คุณใช้เท้าเดินแต่เป็นการเดินทางตามมรคและก็อันนี้ก็เ ป, <Okay. S 1> ปรียบเทียบอีกลว้ว่าถ้าคุณจะเดินทางไปถึงที่สุดทั้งโลกใช่ไหมเดินตามมรคมรคอะไรก็มรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการคืออริยมรคมีองค์แตรงนี้ okay. mm hmm. ซึ่งซึ่งซึ่งความสวยงามตรงเนี้ เมื่อเมื่อถ้าเรานับทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยเนี่ยนะก็จะเหมือนกันตรงนี้ว่าเทวดาก็ปฏิบัติตามมรรคแปดมนุษย์ก็ปฏิบัติตามมรรคแปดนะเทวดาก็ต้องรักษาศีลมนุษย์ก็รักษาศีละเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่งสมาธิเหมือนกันมีการกระทําเหมือนเหมือนกันนี่แหล ะ, ะวิธีการก็คล้ายๆกันฟังแล้วน่าภูมิใจนะคะสําหรับคนเราธรรมดาธรรมดาคิดว่าเทวดานนเหนือ ก, กว่าเรา เทวดาจะถึงสุดโลกอย่างต้อไปด้วยวิธีเดียวกันเราเลยอืใช่และยิ่งถ้าเป็นคนนะสมมุติว่าเป็นคนยากจนเป็นคนเข็นใจเป็นคนด้อยโอกาสเป็นคนพิการอะไรเนี้ยฟังแล้วยิ่งต้องดีใจนะคะถึงแม้ท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านเสมอด้วยเทวดาในการที่จะต้องศึกษาปฏิบัติด้วยวิธีการเดียวกันที่จะไปถึงที่สุดแห่งโลกหรือที่สุดแห่งความทุกข์ใช่ถ้าถ้าคุณโยมถี่จะเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับเทวดาอีก อีกในยันหนึ่งบางทีพระพุทธาก็จะเปรียบเทียบมนุษย์เนี่ยเหมือนเทวดาด้วยนะถ้าบอกว่ามนุษย์ผู้นั้นเนี่ยมีศรัทธามีศีลมีใจฆาา่ามีปัญญา<ฮ>แต่สมมติว่า<ฮ><แ>เราเราไม่จำเป็นว่าคุณเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาฉันยังไม่ใช่เทวดาอะไรไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีศรัทธาคุณมีใจฆ่าคุณมีปัญญาคุณมีศีลพวกเนี้ยคุณเป็นเทวดาเดินดินได้เลยแต่เคยเปรียบ<ฮ>เทียบระหว่างเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดาระหว่างสามีปรรยาอย่างเนี้ยนะว่าเออนี้เหมือนเทวดาอยู่ร่วกับเทดา แต่เคยยกย่องคนที่มีคุณธรรมสอย่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็จะไปเป็นเทวดา แ, แต่ก็คือเป็นเทวดาที่ยังอยู่ในรูปของมนุษย์น่ะ mm. แล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์แต่ว่าให้บูชาเทวดาเนี่ยนะ <Okay. S 1> ก็คือคงจะหมายถึงเทวดาที่เป็นมนุษย์นี่แหละเทวดาที่เป็นมนุษย์คนทําความดีอะ่ะอย่างบางที่ <Okay. S 1> เราอ่านข่าว น, นหนังสือพิมพ์หรือว่าดูตามข่าวทีวีโอ้โหเด็กคนนี้เขาดีจังเลย หรือว่ า, นานคุณยายหรือคุณป scales, ้าคนนี้เขาทําความดีอย่างเงี้ยแม่เราบางทีก็อยากจะมีจิตใจช่วยเหลือเขาด้วยอนะลักษณะการแบ่งปันทรัพย์ให้ตรงเนี้ยคือการบูชาเทวดาอีมีระยะหนึ่งเหมือนกันคือมนุษย์ก็คือเทวดานี่แหละที่ทำความดีถึงได้ไปเป็นเทวดาอ๋อคือเท่ากับว่าคุณสมบัติหรือฉันใช้คาว่าเป็นคุณสมบัติใช่ใช่หรือว่าเป็นการกระทําันเนี่ยเออเป็นคุณสมบัติถกตที่ที่เกิดจากการกระทํานะคะอ๋อดังนั้น นะคนใกล้ๆตัวเราก็คงจะเจอเทวดาอยู่บ่อยสิคะเพราะว่าในบางสังคมนี่เราก็เจอแต่คนดีนะคะต้องเรียนท่านอย่างนี้อย่างอย่างบางทีมาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเนลูกที่ดูแลแม่หรือว่านางพยาบาลที่เขาแสนดีแสนดีเนี่ยโอ้เหมือนเทวดาเห็นกขาเหมือนเทวดาใช่เทวดาผู้หญิงนางฟ้าทีนี้ ว, นว่าเพื่อที่จะการทำการเปรียบเทียบอีกอย่างหนึง่งในระหว่างเทวดากับมนุษย์เนี่ยในการที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเนี่ยเขาสังเกตอันหนึ่งที่ แต่มาเจอบ่อยๆในการอรานพระสูตรก็คือว่ า, าพิสูจน์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ป่าคนเดียวจะอยู่ในบ้านจะอยู่ในวัดเนี่ยเขาจะเตรียมที่นั่งเอาไว้สําหรับพระพุทธเจ้าเสม อ, อเขาจะเตรียมไว้เสมอเพราะบางทีว่าพระพุทโ์ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ตอนึัพระพุทธเจ้ายังอยู่สิอ๋อค่ะตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่ยังมีพระชนอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาจะเตรียมที่นั่งให้พระพุทธเจ้าเสมอต้องมีเตรียมไว้ ไม่ไม่รู้เป็นยังไงนะก็คงจะเป็นเพราะเหตุว่าคือคือพระเจ้ายังมีพระชนอยู่ใช่ไหมท่านจะมาเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเพราะนั้นนั้นฉันระลึกถึงว่าพระเจ้าอยู่เสมอฉันเตรียมที่นั่งเอาไว้ซึ่งซึ่งแม้ในปัจจุบันก็ตามนะอามาก็เห็นวัดบางวัดตอนนั้นไปจังหวัดอุบลราชธานีก็เห็นวัดเขาเตรียมที่นั่งเอาไว้อันนี้ให้ใครก็เจ้าอาวาสบอกเตรียมไว้ให้พระพุทธเจ้า ออแต่ว่าพระพุทธเจ้าประลิพนไปแล้วนี่ยคะก็คือสมัยนี้ประลิพนไปแล้วนะก็ท่านก็คงไม่มาแต่สมัยก่อนนั้นก่อนที่ทุนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยเขาก็เตรียมกันเอาไว้แล้วก็มีหลายๆครั้งที่พระพุทธเจ้ามาก็เรื่องราวในพระสูตรเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าอยู่พอพระพุทธเจ้าเขาไปหาที่ป่าแห่งนี้แล้วก็มีที่นั่งเตรียมเอาไว้ให้เออทำไมที่นั่งมันเตรียมมาให้ทุกครั้งเลยนะออเขาก็จะมีคําอธิบายว่าพระส่วนในสมัยนั้นเขาเป็นอย่างนี้ คือเขาจะเตรียมที่นั่งไว้ให้พระพุทธเจ้าทุกครั้งไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะ<ม>นะคะเพราะว่าในความเป็นพระพุทธองค์ดิฉันเข้าใจว่าอภิญยาต่างๆ่าท่านมีครบถ้วนทุกประการอภิน ญ, ญาแปลว่ า, วาความสามารถความสามารถพิเศษอซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็ปรากฏเห็นบ่อยบ่อยบางทีก็ไปทางอากาศแล้วก็ไปหาพระองค์นี้อยู่ในโรงช่างหม้อเอามีที่นั่งเตรียมไว้พอดีอย่างนี้นะค่ะถ้าอยากจะฟังเรื่องแบบนี้หรืออยากจะทราบดิฉันว่าไปหาหนังสือพุทธประวัติจากพระโอค์อ่านเลย ่เป็นหนังสือที่อ่านแล้วที่นชอบมากเลยนะคะคือเหมือเราได้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นอะ่ะแน่นอนฮะแล้วก็แตกต่างกับที่ดูหนังนะคะคือเหมือนกันนี้เป็นเรื่องหนึ่งรพระองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วก็อจะได้รู้ว่าการปฏิบัติที่เรากําลังทําอยู่บางทีจะได้ถือโอกาสศึกษาจากการปฏิบัติของพระพุทธองค์ใช่ครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะได้รู้จักเทวดามากขึ้นอ่ได้รู้ว่าเทวดาชอบดึง มาปุ๊บไปปั๊บอะไรเงี้ยเร็วๆ <S <S ไดรู้ว่าเทวดาก็คล้ายๆกับเรานะคะยังแสวงหาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้มาพบจากคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราการนอมสักการขอรบพระคุณท่านเพบิพนเป็นอย่างยิ่งนะคะเจ็บปานเจ็บปานนมสักการค่ะท่อนผฟังคะดีฉันกลัวหมดเวลาเดี๋ยวขอมอกเบอร์บัญชีของวัดป่าดอนหายโศกที่ได้ติดทังไว้ในตอนต้นรายการให้ผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะร่วมสร้าง พระโอษ์ในช่วงงานชิ้นสุดท้ายคือปูพื้นหินแกรนิตบัญชีวัดรุดหายโศกชื่อนี้เลยธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุดรธานีหมายเลขบัญชีสี่ศูนย์หนึ่งสามสองแปดหกเก้าห้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งสามสองแปดหกเก้าห้าห้าแล้วก็ไม่แนะนำ ให้ติดต่อไปถามใครเองเว้นสีแต่ว่าในกรณีที่ท่านฟังไม่ทานนะคะไม่ต้องโทรศัพท์ไปถามใครนะคะเว้นเสียแต่ว่าท่านเปิดไปดูในเว็บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศว w w เว็บดอทวูพีดเอค่ะก็ อ, อนุโมทนากับทุกท่านนะคะส่วนรายการนี้รายการสันสันิสนนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเ m 1ซ6ร้อย สัปดาห์นี้เราก็จะลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันสันสินนาคงจะมาสนทนากับค้ามาภาไพบูลอีกในสัปดาห์หน้าวันนี้พุทธศสวสดีค่ะ